คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายแม่ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแววหูสหายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยัง ทำกับฉันอย่างกรฉันนั่นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลังมีอะไรมาเขีย่ยคายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกรฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนงทุกวันนัด สนธนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันไม้สามขาอาศัยกันขั้นเอกอุดคือพระพุทธพระธรรมและพระรงสงฆ์ศาตรามีสามอันบัรบาปลง ดังประสงค์คือศีลสมาธิปัญญาโจนชะกันสามกกฉกปล้นดะโกกโลภะโกกโทสะและโมหาปารกสามดงหลงหลับตาว่าเที่ยงแท้ว่าสิ้นสุดว่าไม่มีอะไร เวียนวงมีสามวนทุนทุเรศวนกิเลสกรรมวิบากยากแก้ไขทุกทนทั้งสามโลกวิโยกใจกามวิสัยรูปอรูปเฝ้ารูปคลั่เขาโคกมีสามเนินมานะรัน ดีกว่ากันเร็วกว่ากันเสมอเสมอทางห้ามเดินมีสองแพร่งแหลงระกรรมยอนด้วยกามตึงด้วยเกียรติไม่เฉียดยานตัวมแมลงห้าตัวตอมหัวหูนิวรห้ากวนอยู่ไม่สุขสารมารน่ากลัวห้าตน ตามรังควานอากิเลตขันมัจจุสังขารมานเทวดาบ่วงคล้องคนหกบ่วงห่วงแห่งกามที่สวยงามไพเราะรจดจ่อหาเหตุทั้งปวงหกตำแหน่งแห่งหูตาคิวหานาสาผิวกายและฝ่ใจ แลงอบายสีขุมหลุมนรกเริราฉานเปรตอสูรกายใหญ่ที่ต้องคุมสามจุดยุดให้ได้กายวจีใจทั้งสามคลองต้องสังวรทางแห่งวิมุต มีแปดองค์ต้องเดินให้ถูกตรงดังจัดซ้อนวัตถุที่พึงประสงค์สองขั้นตอนไม่ย่อย่อนสำเร็จได้ดังใจเอ่ยทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอน ขอพรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงพรทำดีเองมั่นคงวันคืนยืนยงซื่อตรงต่อผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียนบำ เป็นบุญกุศลนำให้ถูกให้พอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือธรรมเชื่อกรรมยำเยงบาปชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพร ํำดีดีกว่ามงคลสืบส่างกุศลดีกว่านั่งคราวของกลางพระเครื่องตะกรุดอุทกังปลุกเสกแสนฉมังคาดมั่งแขวนมั่งรังรุง่งขี้ขาดหวาดกลัวหัวยุง่งกิเลสเต็มพุงมงคลอะไรได้คุ้ม อันธพาลซื้อหามาคุมเป็นเรื่องอุทลุมนอนตายกายเครื่องรางกองธรรมะต่างหากเป็นของเป็นเครื่องคุ้มครองเพราะว่าเป็นพระองค์จริงมีธรรมคือมีรอมีใครยิงร้ายธรรมผีสิง ไม่ยิงก็ตายกืนตายเหตุนั้นเราท่านหญิงชายเร่งผลเร่งขวายหาธรรมมาเป็นมงคลกระทั่งวันลุมักผลหมดตัวหมดตนพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายบริสุทธิ์ผุดภองใจกายอุปัตตวะทั้งหลายไม่พ้องไม่ผ่านสะท่านได้ เหนือโลกเหนือกรรมอำมภัยกิเลสาสวะไหนไม่อาจย่ำยีบีธาเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีนั่นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราหน่วงเอาดีทั้งปวง มาทำให้ดวงมันดีดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ถ้าเราขยันมีความดีทำไห้เป็นคุณอยู่ดีตายดีเพราะบุญทำไา้เจือจุนตลอดชีวิตติดมาดวงดีมีอยู่อัตราก็เพราะเหตุว่าเราทำดีเป็นเห็นไหม เหตุนั้นเราท่านใดใครทำดีเสมอไปดวงดีจักมีสมบูรณ์ฉันมีดีเพราะถูกด่าหน้าหัวไหม้ยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูหน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาด่า นั่นอย่าเกรงใครมีดีคนก็คิดฤิิยาหาแง่ด่ากันขโมงล้วนโชงเฉงเมื่อปากข้าวปากก็มุบหุบปากเองยิ่งคืนเครงคือฉันท่าให้ด่าฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำด่ากลายเป็นคนนำมา ซึ่งสักศีค่าเท่าไรก็ไม่เห็นจริงสักทีด่าเท่าไรด่าเท่าไรก็ไม่เห็นจริงสักทีเลยได้ดีเพราะถูกดา่าหน้าหัวครั่นมานไม่มีบารมียิ่งไม่แก่จะมีแต่ถอยถดหมดความหมาย ไม่มีพลังสร้างวิบากให้มากมายหรือสอบไล่ให้เราเข้าใจตัวมารยิ่งมีบารมียิ่งแก่กล้ายิ่งรุดหน้าสามารถในธรรมทั่วสร้างวิบากได้มากมายไม่เนียนนัวให้ดอกบัวเบ่งบานสถทานสะเรือน แล้วประหัตประหารมารร้ายให้ตายเตียนได้แนบเนียนไม่มีอะไรเหมือนเมื่อมารมีก็เหมือนมารมาตักเตือนให้พบเงื่อนงากล้าฆ่ามารเองศีลธรรมความปกติของธรรมชาติศีลธรรมตามอำนาจคนจัดสรร ศีลธรรมคือสุขสะดวกบวกเข้ากันศีลธรรมคนทุกวันหันหัวลงศีลธรรมนำบุทุชนดลอริยะศีลธรรมรวมฐานะที่พึงประสงคศีลธรรมทุกทุกส่วนล้วนเส้นตรง ศีลธรรมนำสูงส่งตรงต่อยานศีลธรรมปริยัตจัดฐานรากศีลธรรมมีวิบากล้วนสุขสารศีลธรรมสะอาดสว่างสงบบรรจบงานศีลธรรมส่วนอวสานนิพพานแล ศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์รักเส้นคนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหวตัวเองศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัดโกงกันขมันขมเมง ศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อนลนลวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายทราบคนมีปากก็ไม่พลามให้ศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไรทั้งใจกลาย ค, คงจะหายจากทุกขเป็นสุขเอง ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมต้องตกต่ำลงทุกวันท่าสัญหาคงไม่พอขอมาทําน้ําหยอดตาพระบูชากันแต่เงินเกิ น, กนพอแรงศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมต้องตกต่ำไปเสียทั่วทุกหัวระแหงเขารังเกียจเกลียดชังดังผีกระแชง อยากให้มันแห้งแร้งจากโลกนี้ศีละรรมศีละรรมศีละรรมถูกหยียบย่ำโดยฝูงคนจนปนปี้โลกของคนย่นถอยยับเกินอับปรีที่คงที่คือโลกสัตว์ดูอัศจรรย์โลกทุกวันอยู่ในขั้นกะลียุค ที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดมาสลายจนสิ้นสุดมนุษย์รรมดัมอบายเพราะเห็นกงจากร้ายเป็นดอกบัวกิเลสใสหัวส่งลงปลักกิเลสมีความแกลนแสนพิเศษมาสุมหัวสามารถดูดดึงกันไปใจมืดมัวเห็นตนตัวที่จมกาม ว่าความเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสาหรับอยู่สุขเย็นควรสรเสริญเกียรติกามเกียรติกามกินบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลธรรมกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด กำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจั ก, กรวาลปวงน่าเป็นห่วงความวินาศอันชาตเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกะลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลิน สิงกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามเจิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายาบยัง้งโลกวายให้ทันการถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ มนุษย์จะชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมัวหลงเรื่องกินกามเกลียดเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจอัชยากรรมเกิดกระหน่ำลงในโลกมีเลือดโชกแดงฉานแล้วสั่นไหลเพราะว่ากินบ้ากามสามเกินไป บ้าเกียริก็พอไม่ได้ให้เมาตนยาครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลา ตอนนี้ไปจะว่าในเรื่องการงานกันบ้างอันการงานนั่นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานในการงานประจำวันนั่นเองนะ้า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 โลกระดมสุขวางทางนิพพานอันที่จริงการงานนั้นน่ารักเมื่อยังไม่รู้จักก็หางขนางไม่รู้จักก็ปล่อยปละแล้วละวางบ้างร้องครางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานนั้นน่ารัก สอนให้คนรู้จักทุกสิ่งถ้ายิ่งทมยิ่งฉลาดไม่พลาดยิ่งได้ตรงดิ่งสิ่งอุกษิษคือจิตเจริญการงานนี่ดูให้ดีมันน่ารักเป็นการชักธรรมะมาหน้าสนเสริญคือมีสติฉันทะ ธรรมะเกินขั้นหยุดเพลินจิตก็วางทางนิพพานอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียตรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำ ซึ่งจริงเพราะการงานเป็นตัวการประพฤติ ธ, ธรรมกุศลกรรมกล่ำปนมามีค่ายิง่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิง่งนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสา มีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหาญ ร, รักงานจริงต่อไปนี้จะบอกยาแก้สารพัดโรค <c oughs> ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมัน นั่นเลือกเอาแกนแข็งต้นอย่างนั้นเองเอาแต่รากริ์มันแรงไม่มีกูของกูสะแหวงเอาแต่ใบต้นไม่เอาไม่เป็นนั่นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหก อ, อย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช่มเมล็ดมันนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายคล้าวกันไปเศคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะอันเป็นธรรมมชันหิหฤทยัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยา เที่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสรรพโรคเป็นโลกอุดรต่อไปนี่จะว่าก็ขอศีลธรรม ก็ไก่ชอบข้าวสารไม่ชอบพลอยแต่ทีทอยอารีมันดีเลือ้ขอขอไข่กินประโยชน์ดีมีเหลือเฟือต้องเอื้อเฟือแตกง่ายให้ระวังขอขวดดูสงา่ากว่ากระบอกใช้นอกคอกตีกัน มั่นผิดหวังคอควายคนว่างโง่โมหะจังแต่คนมั่งมีเพราะควายน่าอายมันคอคนถ้าฝึกฝนเสียงจะเพราะขัดคอกันมันไม่เหมาะไม่สุขสันคอระคังเสียงกังวานหวานใจครันเสียงสวรรค์เชิญให้คนสนใจทม ง, งูที่ลนลานพิษผ่านน้อยที่แช่มช้อยพิษแรงกล้าดูหน้าคัมจ้จานมีอาหารข้ามันลำ้ำถ้าจานคว่ามไม่เห็นมีดีอะไรชอชิงที่ดีดีมีเสียงเคาะถ้าชิงแตกตีหรือเคาะ ฟังไม่ไวช่อช้างมีสติตั้งระวังภัยจะเคลื่อนไหวงามสง่าทุกอาการซอโซ่ไม่อาจล่ามซึ่งน้ำใจแม่ล่ามได้กระทั่งถึงช่างสารช่อเชอไม่เลินเลิกเข้าสู่ฌาน ง่ายต่อการจะประสบพบปัญญายอผู้หญิงสิ่งสร้างมาเป็นเมียแม่หญิงสาวรนาชอบเป็นอีปลาราดอชดาหมายถึงเสืเ้อตเลิดมาจากชดาคือผมเสิงยุ่งเยิงจริงตอประตักยาให้ปักเอาผู้ชาย เครื่องฝึกฝนวัวควายให้เก่งวิ่งทอฐานแม่อยู่ต่ำอย่าตีติงสำคัญกว่าตัวสิ่งอยู่ข้างบนทอมนโธโสพายิ่งพายุ่งควรจะมุ่งงามทมตามเหตุผลทอผู้เท่าที่แท้ต้องตื่นตน เพระาะได้โยนโลกมาเวลานานนอนเอนนั่นคือหน่อสมณะเริ่มตบะเพื่อดับทุกทุกสถานดอเด็กตัวยังเล็กรูปประมาณเชื่อพ่อแม่อาจารย์ท่านอบรมตอเตาแม้จะขาวก็หน่วงหนักกระดองฝักใช้เป็นเกาะ อย่างเหมาะสมทอถุงทองมีค่ากว่าถุงลมหน้านิยมอย่างสูงคือถุงทำรรทอทหารมุ่งกำราปราบข้าศึกผ้าไม่ฮึกเพื่อเกียรติกามก็งามคำผอาทงนั่นทงชัยมีไว้นำ ให้เกิดกำลังใจได้มากมายแ ห, หน่นอหนูหนูน้อยน้อยคอยเชื่อฟังทำแต่ตามพ่อแม่สั่งจะสุขหลายบอใบไม้ใช้ปัญญาได้มากมายทั้งยาหม้อยาผงใช้ให้จงดีปอปลา มีหูตาไม่เคยหลับเป็นคติที่ควรรับมาขับผีขอพึ่งนับเป็นหนึ่งแห่งสามคัคคีความเพียรมีมากกว่าคนควรสนใจขอฝาหมายความว่าว้ายป้องกันสิ่งในนั้นให้งามงด และสดใสพอผ่านเพื่อเสริมความงามวินัยดำรงกายวาจาใจดังใสผ่านพอฟันรักษามันให้ถูกต้องเขี่ยวกัดคล่องชัดเสียงสำเนียงคานพอสัาเภาเราใช้ข้ามจนละทานถึงนิพพานเพราะถือเอาสัาเธรรม มอมะยิ่งเลี้ยงดียิ่งมีพลังและมีทั้งท่าทีที่งามคำยอยักดูจะรักแต่บาปกรรมซึ่งจะทำให้เป็นยักไม่รักดีรอเรือเล่นอยู่เหนือผิวน่านน้ำอย่าให้คว่าก็ถึงท่าสง่าสีลอลิง มีเหลี่ยมเลหลายวิธีคนเรานี้อย่าให้ลิงมันหลอกเอาวอแหวนสวมนิ้วดูงามขำแหวนประธท ร, รมสวมใจหายงูาขาวสอสาลาคุ้มฝนฟ้าพาให้เรามีร่มเงาสุขสบายได้ทุกวัน สอฤสีแสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขสันสอเสือที่ดีๆมีคุณธรรมคนพากันให้เกียรติไม่เกลียดชังพอหีบเหมือนหะไทยใส่ชีวิตชวนกันคิดให้วิไลดังใจวังลอจุลายอดสมองต้องระวัง อย่าให้พลั้งพลาดผิดชีวิตวายอ้ออ่างวางว้ายใส่ก้อนทองรีบสนองใส่ให้ได้ดังใจไม้พอนกูกตาดีมีประกายมองเห็นได้แม้ํามืดยืดยาวไกลก็ขอ ปรมัตถธรรมอันพระธรรมนำมาปรับเป็นกอขอเป็นหัวข้อแสดงธรรมนำศึกษาว่ากอไกฐขันก้องร่องบอกมาใครอย่ากล้ายึดอะไรไห้เป็นตน ขอไข่ข้องเวียนวัดอยู่อัตราโมหนาะออกไม่ได้ดังให้ขัดสนขอขวดใส่สุรากายาคนใสของเมาเมาล้นกว่านั้นไปขอควายหมายถึงอวิชชาขี่หรือฆ่ามันทั้งของ จักผ่องไซคอคนอย่าสั ป, ปดลยื่นเข้าในห่วงโซ่ใหญ่สายกรรมช้ำ ม, มิวายคอระคังวังเวงเสียงสำแดงสัตว์จะเป็นปรมัติแล้วิมุตเป็นจุดไม้งองูงูอุปาทาน ผ่านพันกายดังผีพรายยึดจับไว้กับทุกจอจานเปรียบเหมือนกายใสทาดขันต้องคว่า ม, มันให้ว่างหายกลายเป็นสุขช้อชิงทิ้งจังหวะอยู่กุ๊กๆบอกว่าทุกทุกทีที่เกิดมา ชอช้างร่องอย่างโกนจนาดมันไม่พลาดพลัดตกจากหน้าพาชอโซ่สายสงสารช่างมารยาผูกแน่นหนาไม่แสดงแห่งเงื่อนปมชอเชร์ไม่พลั้งเผลอเข้าสู่ฌานแล้วเกิดญาณเพราะปัญญามาผสม ย่อผู้หญิงรู้จริงไม่โง่งมเป็นบัณฑิตมีถมเทียมผู้ชายดอชดาเลือนมาจากผมเซิงแสนยุ่งเหยิงคือกิเลสฤตเดชร้ายตอประตักปักหรือตีที่วัวควายเหมือนขับไล่อวิชชานีหน้าไป ทอฐานที่คงมั่นนั้นต้องมีทุกคดีทมหรือโลกไม่โยกไหวทอมุนโทโสภาท่ากระไรทั้งกายใจต้องโสภามาด้วยกันทอผู้เท่าที่แทรู้จักโลกสุขหรือโศก รู้จักจริงทุกสิ่งสรร น, นอเนนคือหนอสมณะอันจะสร้างสรรศาสนาสถาพรหอเด็กใจยังเล็กยึดถือน้อยจึงไม่ค่อยทุกขใจหรือไททอนอต้อดาเอาแต่จะกินนอนเหมือนคนขาวเอาแต่ร่อนหาอารมณ์ ท่อถุงนั่นบรรจุอนุสัถ่ายเทไหวทุกครา้าอย่าหมักหมมท่อทหารของพระองค์ต้องระดมพลังถล่มกิเลสมลายร้ายศัตรูทอ่อธงนั่นธงชัยอรหรันมีธรรมขันเป็นกองทัพ ขับเขี่ยวสู้นอนหนูนั้นพ้นภัยเพราะได้รู้เหมือนเรารู้ใช้ธรรมกำบังตนบอใบไม้ใชา้บังแดดได้เย็นชำ่ำใบพระธรรมบังกิเลสวิเศษพน้นปอปลาน้ำถึงตาพาวิกล ไม่เคยยนเห็นน้ำดังทรรมเมินพอพึ่งพึ่งเปรียบคณะสงฆ์ดำรงงานาศาสนาหน้าสรรเสริญพอฝาถ้าปิดดีมีคุณเกินเหมือนคนเจริญสติว้ายคุ้มกายใจพอพานมีไว้ใส่สิ่งสูงสุดกายมนุษย์ ใสธรรมรสอันสดใสพอฟันนั่นเคียวกัดตัดเยื่อใยตัดอนุัยได้ด้วยฟันคือปัญญาพอสัมเพาข้ามสมุดสุดลึกลำ้ำสัมเพาธรรมข้ามมหันแห่งตันหาหมอม้าเหมือน กายาดีขี่ขับมาตามมันฆ่าแปดองค์ตรงนิพพานยอยักแปลว่าผู้เขาบูชามักกลายมาเป็นยักษ์ผู้หักหาน ร, รอเรือเปรียบเหมือนกายไว้ใช้งานถ้าเรือรั่วจะป่วยการงานใช้เรือรอลิง ที่ถ้าจริงมันหลอกเจ้ากิเลสเราก็หลอกเราเอามากเหลือวอแหวนใส่นิ้วงามความเหลือเฟือถ้าใครเชื่อก็ทิ้งไปอย่าใส่เลยสอสาลาสร้างขึ้นมาบาังแดดฝนสาลาทำกรรมบางคนทั้งโลกเว้ซอฤษีสแสวงหา มาอย่างเคยไม่หยุดเลยวิปัสสนาแก่กล้าจริงสอเสือซุ่มในสมถะวิปัสสนาจับได้มาซึ่งมรรคผลพิมลยิ่งหอหีบใส่สุญญาตาอย่าชังชิงเพราะเป็นสิ่งเดียวเลิศเลือนพันน า, นนา รอจุลาถือกันว่าสิ่งสูงสุดคือวิมุตจุดหมายมาตแห่งศาสนาออ่างนั้นเป็นแองแห่งอาสวะใช้ปัญญาทุกทลายอย่าให้รอพอนกฮูกเห็นได้ในยามค่ำผู้มีธรรมเห็นถึงในอาไทหนอ หัวข้อธรรมนำมาวางอย่างเพียงพอเป็นก็ขอปรมตถธรรมนำไปตรอง